ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งการจะมีชีวิตอิสระนั้นเราต้องรู้จักยืดหยุ่นตามสถานการณ์การยืดหยุ่นของชีวิตก็คือรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาเราจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับชีวิตมากเกินไป แล้วก็รู้จักปล่อยวางอย่างนี้ทุก์ไม่เกิดนี่แหละคือชีวิตที่อิสละ